เพ่งพากันตั้งใจสำรวมใจให้แน่วแน่สำรวมใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญความสำรวมกับความระวังนั่นก็เป็นคู่กันความไม่สำรวมกับความไม่ระวังตัว ก็เป็นคู่กันเมื่อมันไม่สํารวมแล้วมันก็ไม่ละมัตระวังกายวาจาใจของตนล่วงละเมิดคำสั่งสอนของพระพูทธยเจ้าไปเดี๋ยวว่าไม่ไม่ถออไม่นับถือพูดง่ายนะน อาศัยตัณหาอาวิชชาเป็นเครื่องบังคับจิตใจให้ล่วงทำรรล่วงวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ใดทำอวิชชาตัณหานี้ให้เบาวางออกไปจากใจผู้นั้นก็จะไม่ล่วงเกินคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นนะทุกคนให้ตึงเพ่งใจตัวเองให้มันดีอวิชาความไม่รู้กดใจนั่นแหละไม่รู้ไม่ใช่ใครอื่นตัณหาความทยานอยากกดใจนั่นแหละทยานอยากไม่ใช่สิ่งอื่นเมื่อเราน้อมสติเพ่งเข้าไปในใจนั้นมันรู้ได้เลยนะ รู้กิเลสตัณหาอาวิชชาสารพัดความชั่วต่างๆหรือความดีก็รู้ได้อยู่ที่ใจนั่นแหละถ้าผู้ใดไม่น้อมสติระลึกเข้าไปมันเพ่งใจนี่มันก็ไม่รู้ความดีความชั่วเลยเมื่อไม่รู้มันก็ประพฤติไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอา้าว ถ้าระลึกถึงความดีได้ก็ทำดีไปถ้าระลึกถึงความดีไม่ได้มันก็ทำความชั่วนั่นแหละบุคคลผู้ขาดความสารวมแล้วทั้เพีงันเพราะฉะนั้นการฝึกตนการสารวมกายวาจาใจการสารวมตาหูจมูกลิน้นกายใจ อันนี้มันจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เราทุกคนแหละที่จะต้องปฏิบัติถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้เลยพ้นทุกข์ไม่ได้มันจะได้ยังไงเล่าก็เมื่อขาดการสํารวมแล้วนะกิเลสตัณหามันก็จูงใจให้ทำชั่วด้วยกายวาชาใจเรื่อยไปอย่างนั้นแหละ ผู้ขาดการสำรวมนั้นก็แสดงว่ามันรู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาปล่อยให้กิเลสตัณหามันจูงไปจนเป็นเหตุให้ลืมธรรมลืมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเลยเมื่อผู้ใดมาฝึกใจตัวเองให้สงบลงไป อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมันจึงรู้ผิดรู้ถูกด้วยตนเองนะั่นแหละแบบนี้น ะ, ะรู้ว่าความคิดความเห็นอย่างนี้มันผิดรู้ว่าความคิดความเห็นอย่างนี้มันถูกรู้ว่าจิตเป็นอยู่ในขณะนี้นะมันอยู่มันยึดกิเลสอย่างนี้ไว้อย่างนี้นะ จิตในขณะนี้มันยึดเอาบาปอากุศลอย่างนี้ไว้ก็รู้หรือมันไม่ยึดถือเอากิเลสบาปประรรมต่างๆไว้ในใจก็รู้สารพัฒแต่มันจะรู้แหละถ้าหากว่าผู้ใดามาฝึกหัดน้อมสติระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่บ่อยๆควบคุมใจนี้ให้ตั้งมั่นลงไป ต่อบุญต่อกุศลเอาบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่อันบุญกุศลอันนี้มันก็ยังกำจัดกิเลสบาปประมให้ขาดเด็ดออกไปยังไม่ได้เพียงแต่ว่ามันป้องกันดวงกินี้ไว้ไม่ให้เผลอเท่านั้นแหละแต่ขั้นพอ ไปไปแล้วเผลอเผ อ, อตัวเข้าเอากิเลสมันก็แทรกเข้ามาบุญกุศลก็หายไปคันพอระลึกถึงบุญกุศลได้บุญกุศลก็กลับมาพอเผลอเผล อ, อตัวลืมนึกถึงบุญกุศลเข้าไปเอากิเลสมันก็แทรกขึ้นมาอยู่อย่างนี้แหละใจคนเรานะ่ะต้องสังเกตดู ผู้ได้สังเกตได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็มองเห็นลูกทางแล้วบะนี้เออบะนี้เราจะไม่ให้เผลอเราจะมีสติสัมรวมอยู่เสมออืเราจะระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอไประมัดระวังอายตนะภายในอายตนะภายนอกระมัดระวังวิญญาณความรู้ หมูเนี่ยทําความรู้เท่าสิ่งหมูเนี่ยอยู่เสมอเรามาระวังเวลาตายเห็นลกูกหูได้ยินเสียงเป็นต้นเหล่านี้มีสติสัมปญะสัญญะรู้เท่ารู้ทันไม่ยึดไม่ถือเอาสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเป็นต้นเหล่านั้นไว้ในใจ กำหนดละกำหนดวางเลยไปในขนาดที่เห็นในขนาดที่ได้ยินไม่ถือมัน่นด้วยความยินดียินร้ายไว้ในใจนี่แหละคำว่าความสำรวมนะให้เข้าใจความไม่สำรวมมันก็ครองกันข้ามเละตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นแล้วนี่มันก็หลงยินดีหลงยินร้ายไปตาม หลงกโกรธเกลียดไปเมื่อโกรธเกลียดมาแล้วก็กล่าวว่าจ้าหยาบครกระทกกบกระทั่งคนอื่นไปถ้ารุนแรงก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันไปการขาดการสำรวมนี่มันให้โทษอย่างนี้แหละทำให้เสียผู้เสียคนไปเยอะแยะคนในโลกนี้นะ ดังนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังคำตักเตือนอันนี้แล้วก็พึ่งสังวรระวังตนเรื่อยไปถ้ารักตนนะคนส่วนมากมันไปรักกิเลสตัณหานนยิ่งกว่ารักตนถ้ามันจึงไม่สารวมจึงไม่หักห้ามตัวเองไม่ให้มันเบนไปทาง ความชั่วผู้ใดรักตัวเองก็ต้องควบคุมตัวเองไว้ต้องไม่ให้มันหลงไหลไปตามอำนาจถึงความชั่วถ้ามันเผลอรู้ตัวแล้วคนรีบสัมรวมตนทันทีรีบสัมรวมใจนั่นหละทันทีเลยอย่างนั้นจึงเรียก ว, ว่าเป็นผู้รักตนไม่รักพิเลตันหา พระพุทธเจ้าทรงทรรตรัสว่านัตถิอตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มีจริงไห ม, มคิดดูให้ดี <c oughs> ก็จริงแหละแต่ว่าเมื่อปล่อยให้อวิชาตัญหามครอบงํา จิตใจมักมากเข้าไปแล้วมันไม่มันไม่รักตนเะแล้วมันรักกิเลสตัณหาไปทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาไปที่นี่กิเลสตัณหามันก็อํานวยผลให้เป็นทุกข์ตนก็ได้สวยทุกข์ตนทรมานนั่นโทษของการรักใคร่ในกิเลสตัณหา ก็ต้องได้ประสบทุกข์ในภายหลังเราต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้เมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็กลัวทุกข์เบื่อกี่เลยตัณหาเละไม่สะสมมันเพราว่ามันจะนำให้ไปทำชั่วแล้วความทุกข์มันก็จะตามมาภายหลังทุกข์อันเป็นผลแห่งกรรมชั่วนี่ มันให้ผลนานน ะ, ะเมื่อละโลกนี้ไปแล้วนะต้องให้คิดให้มันซึ่งลงไปให้ผลนานบุญกุศลที่บุคคลกระทาในชาตินี้เมื่อมันให้ผลไปในชาติหน้าก้นนานให้ผลนานเหมือนอย่างเทวดาที่ไปเกิดอยู่บนสวรรนคะ์น่ะ มีอายุยืนตั้งพันปีสองพันปีสี 4, ่พันปีอะไรโมนี่มีอหกพันปีหมายถึงปีทิพย์นะนั่นแหละคนมีบุญหลายอ่ะมันก็ทำให้ได้สวยสุขอยู่ได้นานกลัวว่ามันจะหมดบุญอันนั้ น, นกลงกันข้ามผู้ทำบาปก็เหมือนกันเนี่ย เมื่อบาปมันติดตามไปให้ผลแล้วมันตกแต่งร่างของสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างอย่างนี้นะมันมันสร้างรูป ก, กายนี้ให้ดวงกิจอาศัยแล้วได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอาบายภูนานานในตำราท่านยังกล่าวว่านานกว่าอายุของเทวดายุบนสวรรค์นี่ซ้ำ พวกที่ไปตกนรกแล้วน ะ, ะนานกลัวเท่าตัวนุนเลยมันเป็นอย่างไาเราต้องตั้งความกลัวลงไว้ให้มากๆคนเรานะ่ะเชือชื่อว่าเป็นผู้รักตัวไม่อย่างนั้นไม่จัดว่าเป็นผู้รักตัวแล้วมันจะรักยังไงแล้วปล่อยให้ตนตกทุกข์ได้ยากลำบาก แม้ในชาติปัจจุบันนี้เหมือนกันเลยบุคคลผู้รู้อำนาจแกกิเลสตัณหาแล้วมันก็ทำตนให้เป็นคนทุกข์ยากลำบากไม่มีหลักไม่มีแรงเงินทองหามาได้แล้วไม่รู้จักเก็บหอมลอมริบเอาไปจ่ายตามความอยากความบาดธนาของหัวใจ มันอยากได้อะไรก็ไปซื้อหาเอาอหมดเงินหมดทองเข้าไปแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนดิ้นหากันอยู่อย่างนั้นแล้วคนผู้เป็นทาสแห่งตันหานะะมีแต่หากำหากันแล้วกันเหลยหามาเท่าไหร่ก็ไม่มีเหลื อ, อ, อคนตันหาหลายอ่ะเป็นไงน ถ้าผู้ใดปฏิบัติตามคำสองของพระพุทธเจ้านะ่ะเป็นผู้ถือสันโดษมากน้อยอย่างนี้นะก็ไม่มีทุกข์หลายสันโดษแปลว่ายินดีตามมีตามได้เมื่อตนสเสวงหาได้มาด้วยความสามารถเต็มที่แล้วได้เท่าไรเรากวยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นและแถมยังมากน้อยเข้าไปอีกแบบนี้นะ เมื่อเราได้น้อยเราก็ใช้ตามน้อยนั้นไม่สุรุยสุรายนั่นอย่างนี้เลยธรรมะสองข้อนี้เป็นคู่กันนะเทว่าสันโดษยินดีอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อมันได้มาเท่านี้นะยินดีใช้ถอยก็ไม่รู้จักประมาณนี่แหละ ใช่เอาไม่มีปีไม่คุยหน่อยก็หมดยกตัวอย่างเช่นสมัยทุกวันนี้แหละเอาอะไรอะไรก็ไฟฟ้านี่นะน้ำก็อาศัยไฟฟ้ามนนะ่ะอาศัยไฟฟ้าเนะสํสำหรับดูดน้ำขึ้นมาจากบ่อจากน้องจากสระ ขึ้นมาใส่แท่งไว้เล้๋ยวปล่อยไปใช้ตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าวัดไม่ว่าบ้านตู้เย็นก็ไฟฟ้าพิทยุก็ไฟฟ้าโทรทัศน์ก็ไฟฟ้าโทรศัพท์ก็ไฟฟ้าลองไล่ดูสินั่นน่ะและเครื่องยนต์ คนไกลต่างๆมงนี่ไฟฟ้าทั้งนั้นเลยอย่างนี้เลยตอนนี้ถ้าว่าบุคคลไม่ประหยัดแล้วมันก็ต้องเสียค่าไฟฟ้ามากสีเดียวเมื่อไม่เงินไม่มีเงินเสียติดหนี้เขามากเข้าไปแล้วเขาก็ไปถอดเครื่องออกอก็ไม่ได้ใช้อย่างนั้นเนี่ย เจ้าหน้าที่เขามีสิทธริทรมได้โ ม, <c oughs> มนี่นะคำว่ามักน้อยสันโดษอ่ะมันถ้าเรารู้จักประมาณในการใช้การบริโภคช น, นี้นี้มันก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนวะนี้ก็พอมีเงินให้ค่าไฟฟ้าเขา บางคนก็มีรายได้น้อยบางคนก็มีรายได้มากอย่างนี้นะผู้มีรายได้น้อยนั่นก็ไปใช้ไฟฟ้าสุรุ่ยสุร่ายเข้าไปถึงเดือนมาเขาก็มาเกิบเอาค่าไฟฟ้ามากมากอ้าวไม่มีเงินจะให้เขาพอติดหนี้เขาเข้าไประเดือดร้อนมันมันเป็นอย่างนั้นเนะี่ยความเป็นผู้ไม่ สันโดษมากน้อยย่อมได้ประสบความทุกข์ในภายหลังดังนั้นผู้ที่มารู้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามระลึกให้ได้ปฏิบัติไปตามพระธรรมนั้นแต่บางคนเรียนมาแล้วมันก็ไม่จำเวลาทำงานทำอะไรลงไปแล้วไม่ได้นึกถึงคำสอน ทำไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไปนั่นเรียกว่าเป็นความประมาทยังว่าทาระวะหกอย่างนี้นะเราพิสูจน์กันดูสิเราสวดกันมาเมื่อตะกี้นี้ความเคารพในพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่ง ในการศึกษาเล่าเรียนหนึ่งในความไม่ประมาทหนึ่งในปฏิสันฐานการต้นรับหนึ่งพุทธบริษัทควรทาคารวะหกประ ก, การนี้ความเคารพในพระพุทธเจ้านั่นเคารพอย่างไรอ่ะ ก็เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันบาริภานมาแล้วอย่างนี้ก็นักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็หล่อรูปพระองค์แทนไว้แล้วก็สร้างเกดีบรรจุพระบรมส า, ารีริกธาตุของพระองค์ถึงว่าไม่ได้บรรจุ ก, ก็สร้างถ้าเขาสร้างเกดีขึ้นแล้วก็กล่าวคำอุทิศ ถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสง่์แล้วก็สมมติว่าเจดีย์นั้นเป็นเป็นเจดีย์สำหรับขออุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าแล้วมะนี้ก็เป็นสถานที่กราบไหว้สักการะ บ, บูชา อ, อถ้าใครไปล่วงเกินก็เป็นบาปมะนี้เช่นว่าสวมรองเท้าเดินเหยียบย่ำเข้าไปในลานพระเจดีย์นู่น กั้นล่มเข้าไปถืออาวุธเข้าไปอย่างนี้นะโดยไม่ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญความรู้สึกของคนบางคนเลยไม่แสดงความเคารพรุมน้อ ม, มเลยก็เป็นบาปเหมือนอย่างพระเจ้าพิมิสารนั่นตามประวัตินแต่ชาติก่อนนันเป็นนายทหารผู้ ใหญ่เป็นแม่ทัพมีอำนาจมากมันนี้ถือมันลืมตัวสี่คนเราม่มีอำนานมากเลยสวมรองเท้าเหยียบเข้าไปในลานพระเจดีนั่นนี่กรรมนั่นตามสนองเอาให้มันดานให้เพตรคาดเอามีดไปเฉือนฝาพระบาทนั่นอแล้วก็เอา น้ำเกลือมาทาเจ็บก็เจ็บแสบก็แสบอย่างนี้นละกระจนสวรรคตไปนั่นแหละกรรมกรรมที่ไม่เคารพต่อสถานที่ควรเคารพนี่นะเคารพในพระธรรมอย่างนี้เมื่อ มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านพิมพ์ไว้ในาหลับตํารามู่นั้นเมื่อไม่ควรข้า ม, มไม่ควรเหยียบและเวลาเก็บพระธรรมคำสอนนั้นไว้ก็เก็บไว้ที่สูงเมื่อเวลาจะเรียนก็ยกใส่ศรรสีรษะสักกอนแสดงความเคารพต่อพระธรรมก่อนแล้วจึงเอามาเปิดดูมาท่องมาจำ เหลือมาเวลาเข้าไปในสถานที่ฟังธรรมอย่างนี้เช่นศาลาการประเรียนหรือว่าหอประชุมที่ไหนก็ตามเ่ยเมื่อสวมรองเท้าไปก็ต้องถอดรองเท้าไว้ในที่ที่เหมาะสมที่มันจะไม่หายถ้ากั้นล่มไปก็หูบล่มอย่างนี้นหละ ถ้ามีอาวุธอะไรติดตัวไปก็เก็บอาวุธอันไว้ก่อนเอาไปแล้วก็ไปกราบสถานที่ที่เขาตั้งโต๊ะหมู่ไว้มีพระพุทธรูปบูชาไปกราบไปไหว้ไปจุดธูปเทียนบูชาแล้วกราบไหว้อย่างนี้นะ แล้วก็เมื่อเวลาฟังธรรมกดตั้งใจฟังจริงๆมีสติสัมปชัญญะสำรวมใจให้แน่วแน่อย่างนี้แหล ะ, อ, ะอย่าให้ใจมันวอกแวกไปทางอื่นเวลาฟังธรรมก็ไม่พูดไม่คุยกันนี่ต่้ว่าเคารพในพระธรรมนะนั่ น, น่ยเคารพในพระสงฆ์ก็เหมือนกันแหละ เมื่อเข้าใกล้พระสงฆ์มีรองเท้าก็ถอดรองเท้ามีร่มก็หูบล่มมีอาวุธอะไรก็ถอดออกไปแล้วก็รู้จักกราบรู้จักกว้วยโนบน้มเข้าไปเคารพต่อการศึกษาก็เมื่อผู้ใดมีหน้าที่ศึกษาวิชาความรู้อะไร จะเป็นทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีต้องตั้งใจเรียนจริงๆตั้งใจท่องบนจดจำเอาให้ได้จริงๆแล้วภาคปฏิบัติเมื่อครูเขาสอนให้ลงมือทางานอะไรปฏิบัติอะไรก็ต้องตั้งใจปฏิบัติจริงๆนั่นภาคปฏิบัติไม่เกียจคร้านไม่ลบหลีกการงาน นี่เรียกว่าเคารพในการศึกษาเคารพในปฏิสันฐานการต้อนรับอันนี้เมื่อเรานั้นมันอยู่คนเดียวไม่ได้อย่างที่เคยพูดมาแล้วนะอยู่ในสังคมคนหมู่มากเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมต้อนรับแขกคนไปมาหาสู่ไว้อะไรแล้วน้ำ เครื่องดื่มหรือว่าอาหารแล้วแต่การเวลาเวลาได้ควรเลี้ยงอาหารกันก็เลี้ยงถ้าไม่ใช่เวลาเลี้ยงอาหารก็เลี้ยงน้ำดื่มไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่แขกมาหาแล้วพอเลยคุยมาเรื่อยเปื่ยไปไม่มีอะไรต้อนรับกันเลยอย่างนี้ไม่ถูก แต่ทุกว่นเนี่ยเขามีน้ำละอื่นก่อนอื่นน้ำใส่แก้วมาตั้งไว้อ่าอย่างนี้นะถ้าเป็นพระเป็นเจ้าอย่างนี้เป็นครือหัดตอนรับพระก็ต้องประเคนของสิ่งใดก็ดีอย่างนี้แล้วก็ไทยถามสุขทุกข์ความเป็นมา อะไรต่ออะไรก็สุดแล้วแต่มีเรื่องอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อกันและกันก็สนทนากันไปให้ได้ความลื่นเรืองบันเทิงใจกับการสังคมนั่นนั่นอะไรจะเป็นประโยชน์ต่อกันและกันนะเราก็หามาพูดกันไม่ใช่พูดประลําประลาดหาแต่เรื่องสนุกสนานอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรอะการสังคมกั น, นแบบนั้นนะ่ เมื่อเห็นแขกเห็นคนไปมาอย่างนี้เราก็สังเกตดูอันนี้มันคงจะเป็นแขกมุ่งหวังมาจะมาหาอย่างนี้น ะ, ะก็ต้องทักถามเลยก็ต้องไถ่าถามมายังไงไปอย่างไรมีความประสงค์อย่างไรอย่างนี้แหละแขกบางคนถ้ า, าว่าเจ้าถิ่นไม่ถามเพื่นอนกอกเกอร์ อืาก็เลยไม่สําเร็จประโยชน์เสียการสังคมกันอ่ะเป็นงานเพราะนั้นเราเป็นเจ้าถิ่นนี่มันต้องมีหน้าที่แสดงความอ่อนน้อมต่อแขกไปมากล่าวว่าเจ้าทักทายปราศัยกันให้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจเปิดโอกาสให้แขกนั้นไม่เกอ้อให้แขกนั่นคุ้นเคยสนิทสนมกับเจ้า ของบ้านหรือเจ้าของทินเป็นกันเองมูเนียนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นการเคารพในปฏิสันฐานคือการต้อนรับเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพาการฝึก้นจิตใจของตนให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลปัญญามันถึงจะเกิดขึ้น แล้วถึงจะได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเถรเจ้าให้ครบถ้วนการปฏิบัติตามโมเนรุนแต่เป็นการละอาสวะกิเลสไปในตัวทั้งนั้นแหละเช่นอย่างว่าเราปฏิบัติตามคารวะธรรมหกประการดังกล่าวมานั้นแหะทำให้ความโลภความโกรธความหลงมานะทิถีอะไรน้อยเบาวางอกภัจากกิจใจ ทำให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ทำให้ปัญญาเจริญขึ้นดังกล่าวมา